เคยได้ยินหลวงพระเตียนเล่นพูดว่าธรรมะแท้ในต้องรู้อย่างเดียวกันแต่ก่อนเรามีความคิดความเห็นว่าคนศึกษาธรรมะเนี่ยสายนั้นเป็นอย่างนั้นสายนี้เป็นอย่างนี้ต้องเรียนรู้สุดท้ายจะรู้อะไรก็เป็นเหมือนเหมือนกันเพราะนึกดูดีๆเนความคิดอย่างเนี้ย ก็ยังไกลตัวไปคือมันต้องรู้นอกจากรู้อย่างเดียวกันแลยรู้ที่เดียวกันด้วยรู้ที่เดียวกันคือธรรมะเนี่ยมันต้องรู้เรื่องของจิตใจคือรู้ต้นตอของปัญหารู้ดับทุกข์ดับที่ต้นตอของปัญหาถ้ารู้แค่นี้ จึงชื่อว่าเป็นการรู้ธรรมะนะรู้อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการรู้ที่ถูกต้องรู้อย่างประเสริฐรู้แบบอ ร, ริยสัจคือถ้าไปดูเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่ลนะมันต้องเป็นที่เดียวกันโดยธรรมชาติเลยมันเพียงแต่ว่าเราสมมติว่าเราปฏิบัติสายน้นสายนี้ มีแบบนั้นแบบนี้เท่านเองนะมันอาจจะเป็นว่าเมื่นคนมาปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นนุ่งสีขาวก็วมี น, นุ่งสีเขียวสีดําสีเหลืองเนี่ยใส่เสื้อผ้ามีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับสีวิธีการบางอย่างก็เป็นแค่สมมุตินะ เป็นภาวะของสมุติบัญญัติเรียนรู้ตื้นๆเพียงแต่รูปแบบนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายก็คือต้องมารู้ตำหลักของไตรสิกขาคือเป็นเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาถ้าใกล้เข้ามาหน่อยก็คืออา้าวผรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นเรื่องสติปัฏฐานสีนะ่นสายไหนอะไรแบบไห น, นถ้าไม่ศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน ก็ไกลตัวไปก็ไม่ใช่เรื่องของการดับทุกข์ที่เหตุศึกษาทุกข์ที่เหตุนะนี่ถ้าหากว่ามองกันจริงๆก็คือกายกับจิตพอมองใกลกับจิตก็คือเหมือนการเรียนรู้เรื่องกายถ้ายังไม่เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาก็ยังไม่ชื่อสติประฐานรู้เรื่องจิตก็เหมือนกัน ก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของสติปัะฐานคือมันอยู่ห่างไกลตัวจนเกินไปเป็นไม่ถือว่าเรามองเข้ามาลึกเข้ามาข้างในดูกายกับจิตเห็นกายกับจิตเห็นความรู้สึกนึกคิดจทั้าวันมันมีการคำว่าเกิดดับนี่หมายว่าเห็นปัญญาเกิด ปัญญามันเกิดเห็นอวิชชาดับไปเกิดเกิดปัญญาดับความทุกข์นั่นเองแต่ไม่ได้หมายว่าเราเห็นความคิดเกิดความคิดดับเนี่ยเพราะว่าลึกๆเนี่ยคำว่าเกิดดับนี่หมายถึงตัวภาษาบาลีหรือหมายถึงตัวจุตุปาฏายานหมายถึงปัญญาตัวนั้นทีนี้ เอความรู้ที่เกิดขึ้นเวลาเห็นความคิดมันเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่ญาณอันนี้เนีเห็นความคิดเกิดเห็นความคิดดับเขามไม่ได้หมายความรู้สึกแบบเนี้ยแต่หมายถึงว่าปัญญาเกิดอวิชชาดับเนี่ยทีนี้บางทีไอ้ความรู้ของเข้าใจของคนเวลาปฏิบัติธรรมมันคล้ายๆกมบ ร, รู้ถูกแต่เอ๊แต่ทำไมสายนั้นปฏิบตัติก็ว่ารู้อันนี้นะ เห็นการเกิดดับสายนี้ก็ปฏิบัติเห็นการเกิดับมันปฏิบัติถูกถูกไม่ใช่ไม่ถูกแต่ว่าความลึกมันไม่พอความลึกความเห็นแจ้งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ประจักษ์แบบนั้นมันคลาดเคลื่อนนะไปจากความเป็นจริงดังนั้นก็อาศัยความรู้เดิมสติปัญญาเดิมๆความเข้าใจแบบเดิมๆเนีย่ย มาเรียนรู้หรือว่าเจาะลึกลงไปอีกทีว่าเอา้าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงๆเหรอมันดับทุกข์ยังไม่ได้ถ้าอยังดับทุกข์ไ่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็เรียนรู้ใหม่ศึกษาใหม่คือถ้ามันเข้าถึงแสดงว่าทุกข์มันดับทีนี้มันมีเงื่อนไขว่าทุกข์ดับเนี่ยดับด้วยอะไรดับด้วยศีลเหรอ หรือดับด้วยปีติด้วยสมาธิพวกปีติหี่อพวกเป็นสมาธิปีติในระดับต่างๆพวกปีติพวกสุขเวลาเราทำไปโอ้จิตว่างจากนอกวันนั้นเว น, น, น, นเนี่ยนนี่เป็นสมาธิทีนี้มันบางทีมันไม่ได้รับด้วยปัญญาคือมันปฏิบัติทำเนี่ยมัคนแค่ๆว่าเราปฏิบัติยังไงแค่ๆมันจะถูกอะ่ะแต่พี่เจว่าไอ้ความลึกมันไม่พอ คนหนึ่งที่เป็นลึกไปไกลแต่เราเห็นแต่อาการนี่เพียงอาการเกิดขึ้นเล็กน้อยเราก็คิดว่าเ อ, อ้เราก็เป็นอย่างคนนั้นแล้วนะคนนั้นว่าปฏิบัติเห็นอนะไนี่เราก็เห็นแล้วนะเนี่ยเราก็เป็นแล้วนะวันโน้นวันนี้วัน น, น, นี้แต่ของเราที่มันเป็นเนี่ยมันน้อยไปมันเบาไป<ม>อาจารยนการดับดับในระดับศีลระดับสมาธิระดับปีติระดับสุขแต่มันไม่ดับด้วยวิชา มันไม่ได้ดับเพราะการเกิดปัญญาวัดตรงไหนวัดตรงที่เรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์อยู่นะความทุกข์ยังปรากฏเข้าจิตเราอยู่ถ้ามันยังปรากฏว่าเกิดทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ถึงมันยังไม่ใช่ที่สุดหรือยังไม่ใช่ของจริงจริงๆของจริงก็คือมันต้องไม่ทุกข์ถ้ามันยังทุกข์อยู่แสดงว่ายังมีงานที่จะต้องทําอยู่อีก บางทีสภาวะธรรมที่มีสมาธิบ้างก็ทำให้จิตเราสงบระดับหนึ่งนะทาให้เกิดการปล่อยการวางระดับหนึ่งจนกระทั่งบางทีเรามีความเข้าใจด้วยตัวเองว่าอืเราทําได้เนาะเราเข้าถึงธรรมนะอะไรประมาณนั้นมันอาจจะเข้าถึงนะแต่เข้าถึงในระดับตื้นๆก็มีอย่างธรรมะลึกมีความสุขุมลุ่มลึกมีสภาวะ อยู่ร้อยเปอร์ซ็นตเนี่ยเราอาจจะสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนียการเหตุนะรู้สึกว่าเราเย็นลงเราสงบลงนี้มันก็ต้องมองเข้าไปข้างในลึกๆจริงๆนะวัดตรงที่ว่าโอ้ทุกมันยังมีอยู่นะสังเกตเต็มทุกยังมีเราก็ไล่ดูตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยมันยังรบกวนเราอยู่ไหมเราเอาอันนั้นแหละเป็นบทเรยียนมี เค่งซ้อมในการอ่านก reveal, ารศึกษาคือสติสัมปช <Piet. S 1> ัญญะเรียนขีดเขียนอยู่เรื่อยๆสังเกตเรื่อยเดี๋ยวมันเกิดบางมันดับบางมันหายบางมันอยู่บางมันตั้งมันว่างเดี๋ยวเราเป็นทุกข์บางเป็นสุขบางนี่คือการเรียนรู้นเรียนอยู่บ่อยๆเอาทุกข์เป็นครูเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเอาทุกข์เป็นครูเป็นตัวสอนเราอ่ะเหมือนกันนักหมวยเนี่ย ซ้อมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆถ้าซ้อมอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องรูว้วิธีวิธีเอาชนะทุกขเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นอุปสรรคมันก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะ <uno S 1> ถ้ามองว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นอุปสรรคเนี <last S 1> ่ย <horrifying> มันไม่ได้เป็นแชมป์กับเขาคือมันสู้ไม่ได้นองปัญญามันไม่เกิด ถ้ามองเอื้อมันทุกตัวทุกเนี่ยตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยเป็นปัญหานะกับชีวิตเราแต่ว่าถ้ามองเหมือนมันเนื้อเหมือนปลาเนี่ยมันเป็นปลาดิบโอ้เขากินปลาเขาก็กินปลานี่แหละแต่เพียงแตว่าทําให้มันสุกเอาปลาดิบไปทิ้งซะก็ไม่มีปลากินเพียงแต่ว่าทํ า, า, ท า, ย, าทยังไงเราจึงจะมีไฟไปเผาของมัน ไอ้ตัวไฟแผดเผานี่ก็คือตัวชานชานเรามีชานไม่ชานสำหรับหูงต้มกิเลสเราเนี่ยถ้ามีชานเผาปุ๊บมันก็กลายเป็นปรัญญาปลาดิบก็กลายเป็นปลาสุกก็เป็นอาหารขึ้นมาผักเนื้อทั้งหลายเวลาเราต้มเราแกงเนี่ยในมันผ่านกระบวนการนั้น ทีนี่คนบางคนมองไม่ทะลุไม่เข้าใจเออทําไมต้องทุกแบบนี้วะทําไมต้องอึดอัดทําไมต้องหงุดหงิดเออปฏิบัติธรรมก็ดำมานานแล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไฟธาตุมันอ่อนบางทีเนี่ยไฟมันอ่อนที่จะมาเผาเนี่ยมันน้อยไปเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเป็นไงมันทุกข์เพราะอะไเพราะเราไปจมอยู่กับอดีตไหม จมอยู่กับอนาคตไหมจิตแล้วมันไปจมเพราะมันไปจมมันก็ชื้นมันก็ชุ่มพอมีความชุ่มชื้นเวลาทําความเปี่ยนมันยากมันจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในหุดหงิดอืดดัดตัวอยู่ในปรุงแต่งคือออกไม่ได้ถ้ามาชุ่มชื้นเอามาตากแดดมันเพึงแดดมันก็ไม่แห้งเอามาแห้งเอามาเช็ดตัวมันก็มีแต่เปียกนะมีแต่กลิ่นมีแต่อะไรเนี่ยฉันต้องทําให้มันแห้ง ถ้แห้งมันสงบมันสงัดมันดีขึ้นมามันเป็นอีกแบบนึง่งเราเอาไปใช้ประโยชน์มันได้ตามต้องการผ้าแห้งเอาไปเช็ดเหงื่อได้แต่ถ้าแห้งมากเกินไปมันก็ผุพังมันจะต้องพอดีนะบางทีสมาธิมากไปก็หนักเกินไปคือมันไม่อ่อนนุ่มมันไม่สลวยอ่มันต้องพอดีพอดีกับชีวิตะ ถ้ามาเกินไปเนึองกายเป็นถ้าเป็นผ้าก็ผูกก็ก่นแต่ถ้าเป็นจิตก็คือกายเป็นความยึดมั่นความยึดติดความปลีกตัวความอะไรเกินเกินไปคือไม่ใส่ใจอะไรเลยบงทีเมื่อติดนะติดในภาพเออผ้านี่สวยนะผ้านี้งามนะมันแห้งแล้วเราไม่อยากใช้มันเลยบางทีนี้ อยากเก็บไปอย่างน น, น้นอย่างนี้นะคือเราเริ่มมองเห็นว่ามันความชอบอยากเก็บเนี่ยเเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเรารู้สึกว่ามันจะเริ่มมีความหึงความหวงขึ้นมาหวงจิตหวงใจหวงอารมณ์พระาพระเขาใช้แค่สำรวมสำรวมอินทรีย์างจิตให้มันเป็น ถ้ามันไม่ใช่ใเป็นความหึงความหวงความหวงก็ ม, ง ม, มองเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาล่ะเรื่องมันมีตกตนบ่งทีสังเกตดูดิเวลาเราได้อารมณ์ได้สมาธิเนี่ยจิตอันหนึ่งจิตหลีกเร้นหลีกเรนเพื่อทําความเพียรสงบสงัดกับอันหนึ่งจิตหึงหวงอารมณ์เป็นีแบบหนึ่งนะไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากอะไรต่างๆเนี่ยมันซอนกันมาสองอันอันหนึ่งมันติดแบบไม่อยากยุ่งกับใคร ไม่สนใจอะไรใครอยากรักษาอารมณ์ให้มันอยู่ต่อเนื่องนานๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เริ่มงุ่นหญิตถ้าทําใครมาทําให้มันอารมณ์มันตกไปหายไปหรือมันไม่อยู่ในสภาพเดิมได้เราอยากประคองตัวนี้เห็นได้หลายคนก็จะกลายเป็นว่าเอาหนีเข้าป่าเข้าดงไปไปทําอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้น แต่รู้สึกว่าเออความสงบเนี่ยมันดีมากก็อย่าอยู่กับความสงบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อย่ากเกี่ยวข้องกับคนโน้นคนนี้เลยนะยึดความสงบเป็นสารณะยึดความสงบเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาคือไม่ได้เห็นว่าเป็นศักแต่ว่าธาตุศรรักแต่ว่าอาการเป็นวัตถุเป็นปรมัติสเป็นอาการเกิดดับไม่เลีรยมราเนี่ย เพรจากการที่ดูมันเฉยเฉยรู้เขากลายเป็นว่าเป็นความยึดติดมันซะคือไม่สู้กับอะไรไม่อยากฝึกกับอะไรไม่อยากเรียนรู้กับอะไรมันเป็นความพื้นฐานมาจากความหึงหวงความหวงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กลายเป็นภาวะของความเป็นมานะมานะคือความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งตัวเองได้ตนเองมีรู้สึกว่าตัวเองเป็นขึ้นมานะมันยึดในสิ่งที่มีที่ได้ที่เป็นเนี่ยมันเป็นกิเลสแบบหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เรางุนหงิดกับหมู่คณะทีนี้นะมันกลายเป็นภาวะดีกว่าเขาไม่ดีกว่าเขาชั่วกว่าเขาอะไไมมไม่เท่าเขาเนี่คือความรู้สึกแบบนี้อย่าให้มันเกิดกับจิตถ้ามันเกิดกับจิตเมื่อไห ร, ร่ก็แสดงว่าจิตมันไม่ว่างจริงๆนะ มันว่างมันว่างด้วยสมาธิมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าว่างด้วยปัญญาก็มองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาทุกอย่างคือธรรมดาคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีมีแต่อาการเกิดดับโดยธรรมชาติถ้ามองแบบนี้ก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาใจมันก็จะง่ายๆนะเวลาเราปล่อยเราวางเนี่ยใจมันสงบ มันมีสภาวะแห่งความสบายอยู่ข้างในภายในลึกๆทุกอย่างจะเป็นตำราเป็นตำราเครื่องอ่านเครื่องเขียนนะไปเรื่อยๆดังนั้นในหลักปฏิบัติจริงๆบางทีเขาก็บอกว่าสมาธิในระดับอุปจาระสมาธิในระดับคณิกะสมาธิแค่รู้อาการนะแค่รู้อาการ ขันห้าเกิดดับก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ใช่ไปต้องให้มันนิ่งดิ่งมากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปยึดถือความสงบมากก็กลายไปกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สภาวะธรรมของจิตเราที่ต้องเป็นแบบนั้นนะมันรู้เฉยๆคือให้รู้ในระดับขณิกะสมาธิรู้เป็นขณะขณะไปออาการนี้ก็รู้ก็ศึกษาอาการนี้เกิดดับธรรมดาอืม เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันนะไม่ใช่ไปทําให้มันนิ่งถ้านิ่งมากอะไรประมาณนี้ถ้ามันนิ่งเรารู้มันนิ่งนะคือไม่ได้ทําให้มันเป็นแล้วไม่ได้อยากเป็นแต่ทุกอย่างมันเป็นเองโดยธรรมชาติมันจะสงบสงดัดจะมีวิเวกปรากฏขึ้นไปเรื่องธรรมดาของจิตถ้าเราฝึกดีมันก็สงบนะกายวิเวกอ๋อ เห็นประโยชน์ของการวิเวกไม่สงบสงัดเห็นประโยชน์ของมันก็คือนี่แล้วไม่คลุกคลีกับหมู่คณะมันก็ดีขึ้นมันก็ไม่หลุดง่ายสํารวมมินรีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ดีอย่างหนึ่งแล้วก็มาสังเกตถึงสุขทุกข์ถึงอาการที่เกิดที่มีที่เป็นเราก็เกิดความเข้าใจเห็นมันเอาสักแต่ว่าเป็นการสํารวมเป็นกายวเวยีเป็น สมาธิก็ ค, คือจิตนะจิตมันส ง, งบส ง, งัดเห็นนะมันอยู่คนเดียวของมันเฉยๆนะใจเนี่ยมีสภาวะเลึกรู้ดูคนเดียวเฉยๆส ง, งบเฉยๆเหยียดเฉยๆรู้เฉยๆวางเฉยๆอะไมันก็ส ง, งบส ง, งัดอยู่ภายในจิตจำใสนะแต่เรารู้ด้วยตัวเองว่าลึกๆเนี่ยมันมีกิเลสนะก็อย่าเกียดคลั่งนะถ้าเกียดคล้านก็ถือว่าเป็นเรื่องของความประมาทไป ไม่เกียดคร้านดูพอดีศึกษาพอดีเรียนรู้พอดีมันก็จะกลายเป็นเห็นสิ่งที่หมักหมมในใจอารมณ์เนี่ยเกิดนะอารมณ์นี้ดับนะอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้มาเหมือนแขกนะยังมีมาเที่ยวมาเยี่ยมมายามเราอยู่เรื่อยๆโอคนนี้นะไอ้ตัวนี้นี่มันมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชีวิตเรามันชอบแว บ, บมาเราก็จะเริ่มเห็นมันโอ้มันมานะตัวนี้ ตัวนี้ยังมีตัวนยังมีก็ไม่ต้องเกลียดคล้านก็ทําหน้าที่ดูต่อไปคือเวลาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นภาวะแบบนี้ลนะเหมือนกันไม่ว่าเราจะปฏิบัติอะไรยังไง ร, รูปแบบไหนมันก็ต้องกลับมาวกมาดูที่จิตเหมือนเดิมอย่างที่เขาบอกว่าดูกายดูเวทนาจิตธรรมเราดูกายเราเห็นกายชัดไหม อกีกวิภาวะหนึ่งก็คือพอเราลังเลใจเออเขาว่าดูจิตก็จะไปนเน้นดูจิตสักพักเบื่อหน่ายก็มาดูกายเดี๋ยวดูกายดูดูดดเจอเขาว่าดูเวทนานะก็ อ, อะไรประมาณเนี้มันเลยไม่มั่นคงสักอันนะดูอะไรก็ดูไม่ขาดนะเขาบอกว่าเฮ้ยมองเกมนี่ต้องขาดนะดูมันขาดชกมวยมวยดูมวยเขาชกกันเออเกมเนี่ยขาดนะคะแนนขาดนะอะไรประมาณนั้นชนะ ข, นาขาดนี่ ถ้าเป็นแต้มต่อกันกออ็คนนี้ชนะขาดเรามันไม่ขาดเนี่ยมันยังไม่ขาดแต่เราก็เอาไปดูแบบนั้นไปดูแบบนี้นะยังจะชกเก็บคะแนนในประมาณเนี้โน่น น, นี่มันไม่ได้ละนะมันต้องเข้าถึงจริงๆเข้าถึงจริงๆมันก็เห็นทุกจริงๆดับทุกได้จริงๆคือมอง ท, องที่อย่างที่ว่าแหละเป็นเรื่องของอริยสัจสะทุกอย่างเนี่ย ความจริงที่ดับทุกข์ได้จริงๆเห็นทุกข์จริงๆเห็นที่เกิดของทุกข์จริงๆเกิดจากอวิชชาตันหาอาสวะจริงๆนะไม่ใช่ทุกข์แบบพื้นตื้นเขินเ ข, นขินอยู่ข้างนอกนถ้าละมองอย่างเนี้ยไอ้ความสุขความสงบส ง, งัดมันปรากฏเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะปฏิบัติทําแบบไหนสุดท้ายก็คือต้องฝึกสติเพื่อมาเฝ้าดูกิเลสเกิดนี่แหละแต่คนทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่า เห็นทุกมันตื้นแต่บอกว่าลึกเห็นทุกตื้นตื้นเนี่ยแต่คิดว่านี่แหละคือความลึกของเราเลยว่านอนจากนั้นก็เราก็เป็นคำนึงคำนวณตึกเอาทําอาการอย่างนี้ทุกมันก็ไม่ดับพอมันไม่ดับก็โอ้สายนั้นดีกว่าสายนี้ดีกว่าอันไหนก็ดีเพียงแต่ว่าทําให้มันถึงนั่นเองขอน้ํามันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ใจ กิเลสทั้งหลายนะี่อยู่ที่ใจนะทีนี้ปฏิบัติใส่ไหนถ้าไม่เฝ้าดูใจมันจะเห็นเลยมันไม่เห็นนะก็คือต้องมาเฝ้าดูใจเหมือนกันหมดจนกระทั่งเห็นใจใจที่มันปลอดโปรง่งมันปราศจากกิเลสนะกิเลสในระดับไหนล่ะระดับกลางระดับลึกตัวปฏิบัติทำอย่างเขาว่านิวรณิวรณินรนรเนี่ยหนึ่งกรมมาันทะ กรรมฉันทะเรื่องทั่วๆไปในระวางได้ไหมความยึดติดความอยากความใครท่ทั่วๆไปมันดีขึ้นไว้ติดอยู่ติดกินเนี่ยไหมบางทีมันเป็นเยอะนะนะติดตาติดหูติ ด, ตดจมูกติดลิ้นติดกายชอบคิดเรื่องความอยากความใคร่ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเยอะไหมบนะางคนมันมีความเกี่ยวข้องมีอะไรเยอะๆจ น, นทั้งว่า ฝังรากลึกในใจก็ายากที่จะตัดนะคือหมายความว่าถ้าหากไม่มีความรู้สึกตัวในขั้นที่พัฒนาเป็นพุท ธ, ธะรู้ตื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปอีกเหมือนเดิมคือออกจากความคิดมาได้แล้วก็ยังเข้าไปในความคิดเนี่ยออกจากรวบพวงแต่งมาได้แล้วออกจากทุกมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีความรู้สึกอยากเข้าไปอยู่เพราะอะเพราะมันมันไม่ชัดเจน มันก็ต้องทําเหมือนเราเที่ยวทางนี่แหละต้องทําจนชํานาญไปกลับไปกลับจนต้องบวชหลับตาไปก็ยังไปได้คือทําให้มันชื่อทํานีิชํานาญปฏิสังขารุเปขายานปฏิสังขาปฏิสังขารัญาณและลึกรู้ทําให้มันชนํชนานิชํานาญอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆตรงที่เดิมเอาเคยได้อารมณ์รูปนามดูให้มันชัด เอาให้มันชัดเคยเป็นก็ทําให้มันชัดเคยสงบก็ทําให้มันชัดเคยว่างก็ทําให้มันชัดอะไรอะไรเนี่ยมันชัดเจนเรื่อยๆให้มันชัดเจนให้มันเห็นมันชัดถ้าเออเคยได้อารมณ์เนอะมันไม่ได้อารมณ์ว่ะเป็นอย่านุนี้นี่เลยอารมณ์เบื้องต้นเราสังเกตนะถ้าเราอยากได้อารมณ์มันจะอยู่ง่ายๆตรงที่เกิดอารมณ์อะไรยากๆขึ้นมาเราฝืกได้น่ะมันจึงได้ปัญญาอย่าเรามาทําวัดเนี่ย มีไม่สักวันที่เราฝืนมันจริงๆให้เกิดง่วงเกิดงอมันนี้ไม่มันเข้ามาเลยบอกวันนี้เต็มที่เลยเนะ่ออกจากนี้ไปเวลาปฏิบัติอยู่ตามกุติอยู่เะไรต่างๆเป็นคนสู้ไม่เคยให้ทุกข์เข้ามาปัญญามันก็เกิดนะแบบนั้นนะปัญญามันเกิดตรงที่เอาชนะทุกได้นะี่มันก็เกิดปีติเกิดสมาธิขึ้นมานะเกิดความว่างเกิดอะไรขึ้นมา แต่ถ้าสู้ทีไรก็คิดถึงจะเอออีกสักหน่อยเดี๋ยวกูก็ได้หลับละอีกสักหน่อยกูก็เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาให้ปัญญามันไม่มีให้นะไม่รู้มันจะเอามาจากไหนนะเพราะมันเคยไม่เคยชนะมันไม่ชนะทุกนะปัญญาคือตัวชนะทุกนั่นแหละแต่ชนะด้วยสติกับขันติถ้าเรามีสติมีขันติเห็นมันชัดชัดเนี่ยเออ ทุกมันดับตามวิถีของพุทธจิตมันก็จะตื่นจิตมันตื่นจิตมันเบิกบานจิตมันสงบมันสงับมันไปเองโดยธรรมชาติมันน่ะมีความผ่องใสปรากฏขึ้นเอ้าสนุกเลยทีเนี้ยปฏิบัติทำเรารู้ทางละมันรู้ทางมวยโอ้รู้ทางมวยแล้วไอ้หมอนี้ชกที่ไรกูก็รู้นะมันอยู่ตรงเนี้ะมองมันออกนะ แต่ถะารู้ทางมวยอยู่ก็อ้าวปลไหวมันต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยหน้าต่อยหลังโชกที่ไรก็แพ้ทุกทีมันก็โอ้ยเขาแสดงว่าไม่รู้นะมันยังไม่ชํานาญมันไม่ชํานาญะแต่ไม่ได้หมายก็ว่าเราจะไม่ชนะมันนะสังเกตดูดิบางครั้งบางทีโอ้บางครั้งเราก็ชนะมันอยู่นะอืยืนได้เป็นวันอยู่เหมือนกัน่ะกล้งคืนก็ไม่ง่วงเหมือนกันนกลางวันก็ไม่ง่วงคือทําได้ ความปรุงความแต่งเออเป็นความว่างหรือไม่จะดับไม่ได้หมดก็อืมวันนี้ชนะคะแนนนะหลุดพ้นได้นะถ้าพูดว่าสาพระก็เป็นแต่ทางข้วิมุตนะหลุดพ้นได้แบบชั่วครู่ชั่วขณะตอนไีนได้สมาธิก็หลุดพ้นด้สมาธิแต่ทางข้วิมุตคือหลุดพ้นด้วยสมาธิหรือจะพูดว่าหลุดพ้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปก็ได้ บรรลุครั้งหนึ่งเอ้ามักขยานมักขยานของคนรู้รูปนามพาไปสู่ภาวะของความเป็นสวดาบันถ้ารู้ตัวท่วพร้อมชัดๆเนี่ยมันก็จะเกิดทำลายตัวที่เรารู้รูปนามนี้แสดงว่าได้มักนะได้มักมันมีมักเกิดขึ้นละเห็นแล้วมันเกิดบรรดับง่ายขึ้นละความปรุงความแต่งมันมา ใจก็เริ่มเป็นสบายๆ ส, ส่วนมากนะคือมันไม่แพ้ความคิดตลอดละไม่แพ้ความง่วงความเหงาละเริ่มเป็นผู้ชนะมันอยู่ตรงที่ว่าตัวฮึดทีนี่มันไม่ค่อยมีอ่ะพอมันสบายใจแล้วเราก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่พออยู่ได้อะไรบรมันเราคิดอย่างนั้นนะ่จริงมรรคผลก็อยู่ไม่ไกลสาหรับเราเองเพราะเราเริ่มมีอาวุธเราเริ่มรู้ทางมวยแล้วเนี่ยคือ ความชนะมันก็เอาชนะได้แต่สาคัญมันจะมีลูกงึดไหมถ้ามีลูกงึดเยอะๆสติเยอะๆสัมผัสัญญาเยอะๆ ม, มันก็กลายเป็นปัญญาได้ไง่ายๆเราเราขอแตว่าดูให้มันชัดเท่านี้ถ้าสติชัดสัมผัสัญญะชัดปัญญามันเกิดมีความหลุดพ้ น, นออกจากกิเลสได้ในระดับที่เป็น เป็นขั้นตอนของมรรคญาณในโสดาพอพัฒนาไปก็เอ้าทาอีกทำความโลภกวนหลงให้เบาบางเจือจางหายไปก็เป็นมรรคญาณในระดับสกิทาในพระอนาคาเป็นอรหันต์นันประมาณเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเขาเรียกว่าตาทังครับมีมุดหลุดพ้นได้เป็นชั้นเป็นชั้นไป แต่ถ้าหลุดพ้นแบบถาวรเขาเรียกว่าเป็นสมุดเฉดทวีมุดคือเด็ดขาดสมุดเฉดก็คืออไม่มีเศษเหลืออะเป็นวีมุดแบบไม่มีเศษส่วนเหลือเลยในใจไม่ว่าจะปฏิบัติใจไหนมาตรงที่เรามาสังเกตเห็นวทุกอย่างมีอยู่ไหมถ้าทุกมันดับหายได้หมด เ, เป็นเหมือนกันหรือบางทีก็ดับเป็นค้างเป็นข่าวเป็นอันไปคือมันก็รู้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ความลึกตื้นเนี่ยคนต้อง ทำเต็มที่นะเหมือนเข้าสู่เส้นทางได้แล้วเนะี่ยทุกอย่างเหมือนคนเดินดูที่บ้านที่เรือนที่โน่นที่นี่คนที่จะออกจากความคิดความอยากสุดท้ายก็เข้าสู่เส้นทางได้เมื่อสู่เส้นทางได้นี่ทางนะเส้นทางของสติปัฏฐานก็ ค, คือตัวระลึกรูนะ้เนี่ยหลังจากนั้นคือเดินทางแล้วเนะี่เห็นทางแล้วสายนั่นก็ทําก็ให้เห็นทางนี่แหละสายนี้ก็เห็นทางนี่แหละสายโน้นสายนี้ก็เหมือนกันนะมาจากคนละที่ นุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งดำนุ่งกลักนุ่งอะไรเนี่ยมาทําอันนี้เพื่อให้มันเข้าสู่เส้นทางนี้คนไหนคนนี้อาจจะมีราคะเยอะคนนี้มีโทสะคนนี้มีโมหะคนนี้มีหงุดหงหิดมีความเบื่อความไหนเนี่ยแล้วแต่ว่ามันจะมาใสไห น, นทีนี้พอมันเข้าตรงนี้เราควรเดินทางเลยทีนี้มุ่งหน้าทําลายเหมือนกันคือในจิตคนแต่ละคนเนี่ยมันไอความ ชัดเจนความหนักแน่นของกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันนะบางคนง่วงมากแต่ตัวอื่นไม่ค่อยเยอะเนะี่ยบางคนโทสะเยอะแต่ตัวง่วงไม่ค่อยมีเนะี่ยแต่บางคนเป็นคนหลงตัวตนหลงอัตตาหลงตัวหลงตนหลงว่าเราเป็นเนี่ยนั้นหลงเป็นในเนี้ยนะ่ะติดแต่สมมุติโลกอื แต่ความโกโรธเนี่คุมได้ความโลภคุมได้ความหลงเอาพอคุมได้ไม่ค่อยเกิดมีเท่าไหร่แต่ว่ามันยังมีความหลงอยู่บางคนมีราคะเยอะนะตัโกโรธก็ไม่เท่าไหร่ตัวง่วงกับพอสู้ได้อยู่แต่อารมณ์นี้มาแพ้ทุกทีเนี่ยอารมณ์นั้นมาแพ้ทุกที เ, เห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้อินรียอ่อนนะ มีความโลภความโกรธความหลงสังเกตดูดิเวลาเราไปปฏิบัติธรรมนะหรือเวลาเราไปอบรมไปโน่นไปนี่นี่ถ้าเราได้พูดคุยกับคนนี้เนะี่ยเราชอบนะมันชอบใจอ่ะได้พูดได้คุยไม่เป็นกิเลสตัณหาอย่างอื่นก็เป็นกิเลสตัณหาแค่ไอความรู้สึกความนึกความคิดได้อยู่ใกล้ได้อะไรประมาณเนี่ยนะได้พูดได้คุยเนี่ยเราไม่ทันความรู้สึกเรา ตัง น, นั้นเวลาเราปฏิบัติทำเห็นไหมไปที่นน้นที่นี่เราเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มนี้ไปดูแลกลุ่มนั้นพระองค์เนี้ยไปถึงโน้นพระองค์โน้อนอยู่ไปถึงนี้ให้หมุนไปเรื่อยๆนั่นเองนะที่นี้มันไม่คุ้นเคยมันก็จะมีความละอายแต่บางคนย้ายยังไงมันไม่อยากย้ายนะคือมันไม่ทันความคิดไม่ทันความรู้สึกตัวเอง มันก็จะโจมเอาได้ทําให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นรู้สึกมีความปลุกใจที่จริงมันเป็นความทุกข์แบบหนึ่งอะที่เรารู้มันเป็นเล็กพอมันก็จะกลายเป็นเออแล้วเรามาทําเพื่ออะไรเลยเนี่ยทําเพื่อแก้ทุกข์เอาตั้งใจดูทุกข์ให้มันจริงๆที่มันมันไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะดูแก้ทุกข์ให้มันจริงจริงจังๆพอมันไปติดอารมณ์อะไรก็เอาเอาไปละเนี่ย นะทำเพื่อให้คนดูก็คือเหมือนเขาว่านะวังเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งเนี่ยหวังคำเพียงคำยกย่องสรรเสริญอะไรประมาณเนี่ยทำให้ครูบาอาจารย์เห็นอะไรแบบ น, นี้เริ่มแปลความหมายผิดไป ล, ปละแปลความตั้งใจผิดไปนะนั้นเราต้องศึกษานะให้เห็นจริงๆนะทุกทรมาเลยตันะ้งแที่ปรากฏเกิดขึ้น มองให้ขาดนะไม่ว่าจะมาเล่เหลี่ยมมุมไหนหอะไรประมาณนี้ยแล้วมันก็จะมีความเข้าใจว่าปฏิบัติยังไงก็ลงที่เดียวกันะมันมาลงที่ใจแล้วก็มาเฝ้าดูใจเฝ้าดูใจคือใจทุกในระดับไหนผูจะเริ่มเห็นมันเรื่อยๆคือใจถ้ามันยังขุนอยู่เนี่ยมันก็ยังเห็นนะถามว่าเราจะกินน้ําประเภทไหนเนี่ยชีวิตเนี่ยสมมติววเราเป็นคนขุดบ่อน้ําเนี่ยม่นต้องกินน้ําใสดิ ใสแล้วมีกลิ่นไหมบางทีบางคนไม่ใสอย่างเดียวนะต้องต้องไม่มีกลิ่นด้วยน้ําใสน้ําสะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอเนี้ยไม่ได้หมายว่าเราชิมโอ้น้ํานี่มันมีกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นเนาะเนี่ยกลิ่นมัล่ะสีมั้ล่ะไม่ใช่รสอย่างเดียวเหมือนกันใจเราถามว่าตอนนี้มันยังมีกลิ่นมีสีมีรสไหมถ้าปราศจากสีกลิ่นรสอ้าวนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ล่ะ ใจเรามีไหมยังมีกลิ่นอยู่ไหมยังมีสีไหมยังมีรสไหมถ้าสิ่งเหล่านี้ผันสะยังมาปรุงแต่งยังเกิดการปรุงแต่งหรือถูกปรุงแต่งปรุงแต่งได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรสไปเรื่อยๆได้แสดงว่ามันยังไม่มั่นคงไม่ถาวรแล้วก็เอาใหม่สังเกตใหม่สังเกตมันชัดลึกลงไปเอ้าวันนี้ยังเป็นอยู่นี่เนาะอันนี้ยังเป็นอยู่นะก็แก้ไขเอาอยู่กับโมเขานะรู้สึกเป็นทุกเนาะ อ้าวสังเกตดูดิแสดงว่าฝึกไม่พออ่าอยู่คนเดียวไม่ยังกลัวนั่นกลัวนี่นะะยังกลัวบางที่ไม่กลัวเอ้ยติดด้วยซ้ําไปเนื้เราเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะอยู่กับมูขนาดฟู้งซานไม่ฟุ้งซ่านเมื่อที่ติดหมูขนาดไปอีกเนี่ยเห็นไหมไม่ให้มันเป็นสักอันคือไม่ให้มันมีอุปท า, านเข้ามาอยู่ในใจมองอยู่ห่างๆรู้อยู่ห่างๆอะไรประมาณนัะนะ้น และลึกรู้อยู่อย่างสมบสมูรณ์มันก็จะกลายเป็นจิตแท้ๆจิตเดิมแท้เป็นธรรมะแท้ๆในใจเรานั้นใส่ใจเอาเรียนรู้เอาทุกทั้งหลายเนี่ยนั้นในขณะเดียวกันเรามองมุมหนึ่งก็คือเอาไม่ว่าเราจะอยู่วัดหรืออยู่นอกวัดหัวใจจิตใจเราก็เป็นเรื่องของวัดเป็นคนที่เป็นนักปฏิบัตินะ่ะจิตวิญญาณเป็นนักปฏิบัติเหมือนกัน อยู่ข้างนอกก็เจอทุกเหมือนกันน่ะอยู่ข้างในก็เจอทุกเหมือนกันเนนี้ดูกายก็ทุกดูจิตก็เห็นทุกเหมือนกันนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรถ้าเรามีหัวใจเพื่อพระศาสนานะมีหัวใจแบบคนรักชีวิตตัวเองจริงๆก็ จ, จะมีสติแบบไม่ประมาทในการที่จะดูตัวเอง เห็นด้วยอยอย่างเส ม, สมอเนี่ยเราก็จะยึดเอาการรูก้การเห็นเอาปัญญามาเป็นที่พึ่งมันเชื่อได้ว่า อ, อทุกเนี่ยมันมันค่อยๆสลายลงได้เรื่อยๆถือไมมันมันจะไม่ดับสนิทภายในวันเดียวสองวันก็ช่างนะแต่มันมีความหวังนะถ้าเราทำเนี่ยเรามีความหวังเหมือนเราพยายามกินยาอยู่เรื่อยๆเรืๆสังเกตอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์นะเนี่ย เราเป็นโรคเนี่นเนี่ยแล้วก็พยายามกินยาอยู่เรื่อยๆอยู่ใกล้หมอบ้างอะไรบ้างคือไม่ห่างจากความรู้สึกตัวตลอดเวลาอสติแหละเครื่องมือสอดส่องเป็นเหมือนในแพทย์นะมองอยู่เรื่อยๆมันเห็นทุกแล้วก็เอาทุกออกมันออกไม่ได้ก็คือเอา้ามันยังไม่พอนะ่ะความรู้ของหมอคนเนี้ยก็พาเขาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วลึกรู้เพิ่มเติมแล้วดูใหม่วิธีใช้ใหม่เนี่ยสุดท้าย ความสำเร็จของการรักษามันก็ ย, ย่อมปรากฏเกิดขึ้นถ้าไม่หยุดยั้งเสียในระหว่างนะนั้นสังเกต ด, ดูให้ดีนะทุกทุกอย่างเนี่ยมันมันเกิดขึ้นไม่ได้ให้เราเป็นนะทุกเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นนะถ้าทุกอะไรเกิดขึ้นมาเราเป็นทุกเป็นโมโอแย่เต็มทีนะ มันไปจมอยู่ในนั้นหมดเลยเเราเป็นทุกข์กเกิดเป็นทุกข์กเกิดเป็นทุกข์ไม่ได้มห้ ม, มันเป็นทุกข์อะไรให้มันเห็นทุกข์นะมุธานา